เมื่อคืนหนาวสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกนี่หนุมน่มๆสาวๆนี่พอดีไม่หนาวสบายๆแต่สหรับคนมีอายุหน่อยกันหนาวนะหนาวนี่ปกติน้อยนะที่เราจะมาห่มผ้าชันจังหันไปเนี่ยดูมันจะเป็นครั้งแรกโดยซ้ําไปเนี่ยเนี่ยห่มผ้าหม่มชันจังหันเนี่ยมันก็ไม่หนาวเท่าไหร่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 ค่อยๆเหมือนกับแมวเดินเออยู่ตรงนี้เกี่ยวข้องมาตลอดแ่ะกับนักเรียนนักศึกษาอืมบางทีอย่างคราวที่แล้วเนี่ยช่องระหว่างบ อ, อกภาษาพอดีทางธรรมศาสตร์เขาขอมาอยู่สักเจ็ดวันเราปีก่อนนั้นเราให้อยู่มันลำบากมาก พระเราก็เยอะด้วยคนในครัวเราก็น้อยพระเราก็เยอะเฉพาะต้อนรับเลี้ยงรับพระเรานี่ก็แทบจะไม่หวัดไม่ไหวที่นักศึกษามาอีกสามสบสี่สิบคนเนี่ยบางทีก็หกสิบคนเนี่ยมันก็ไม่ไหวปีปีที่แล้วเนี่ยเราก็เลยเราก็เลยไม่ไม่รับปีก่อนเขาเ ข, เ ข, เ ข, เขาาไม่อยู่เจ็ดวันเจ็ดวันบางทีมันอยู่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 ฟังเทว่าสุตจินตะฟังแล้วต้องไปนึกไปคิดไปใคร่ครวญตามอีกสุตามยะปัญญาได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ยินได้ฟังก็ถือว่าเป็นสุตะเสรส็จแล้วก็ควรจะลงตัวเอาไปใคร่ครวญเอาไปไตรตรองเพื่อจะให้เห็นเหตุเห็นผลที่แท้จริงเพื่อที่จะเอาไปประพฤติปฏิบัติตามได้จริงมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาไปจินตะฟังไปนึกไปคิดไปใคร่ครวญแล้วแล้วก็ทําตาม ถือบทนั้นเป็นบทเป็นบทฝึกซ้อมเป็นการบ้านเป็นบทฝึกซ้อมเป็นแบบฝึกหัดฝึกหัดยังไงฝึกหัดขั้นไหนฝึกหนักฝึกหัดมากเท่าไหร่ฝึกหัดจนได้ฝึกหัดจนเป็นนั่นแหละไม่เป็นก็คือยังไม่เปลี่ยนทาให้ใจสงบทําให้ใจอยู่ ท, ำทำําเท่าไหร่ก็มาอยู่ ท, ำ ท, ำทำําเท่าไหร่ก็มาอยู่ไม่อยู่ก็คือไม่อยู่เราจะเอาอะไรไปเป็นเกณฑ์นะเราจะต้องเพิ่มความหมดสาวพยายามเพิ่มความความเพียร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 อุบายเป็นมายาเป็นกลเป็นอุบายเป็นมายาเขาคิเล่นั่นแหละที่มันคอยแทรกแทงมาให้เราประสบความทุกข์อยู่เนืองๆก็คือเจ้าความอยากเราดูไปเจ้าความอยากปกติจิตสักทวารู้รู้ ร, รู้ที่ท่านชำระจนหมดจดแล้วเนี่ยท่านก็สักทวารู้แต่คำว่าสักทวารู้มันไม่ใช่รู้เหมือนต้นสาวเมื่ อ, อไหายที่ยังไม่รู้เรื่องไม่ใช่รู้รอบหมดแล้ว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 ทุกสิ่งทุกอย่างมีภาวะมีสภาวะตามมีตามเป็นของมันเราเอาผู้รู้ของเราไปกะเกณฑ์อะไรไม่ได้ผู้รู้ของเรานี่สามารถเอามาต่อกันกับกิเลสเจ้าของได้อย่างเดียวเท่านั้นเอาไปต่อกันกับกิเลสของคนอื่นเกาไม่ได้เอาไปต่อกันเขาสิค่าการแกล้งกันก็ตายไปคนเรฝั่งคนเราภาคเท่านั้นแหล ะ, ะตายไปคนละข้างเนี่ยก็ชนะได้ไหมก็ชนะไม่ได้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 สอนมาหมดทั้งวีทั้งวันไม่เอาสักเม็ดเลยก็ได้ไม่เอาสักคําพูดเลยก็ได้ก็เพราะมันเป็นปัจจัยอื่นแต่ถ้าเราตั้งใจจะวิรัตตั้งใจจะงดจะเว้นตั้งใจจะเจ็จํานงอย่างเหนียวแน่นมั่นคงขนาดไหนขนาดไหนอันนี้เป็นอัตตปัจจัยของเราข้างในเป็นปัจจัยข้างในโดยแท้เราสามารถกักเก็บได้เฉพาะอันนี้เราสามารถแก้ได้เฉพาะกิเลสในใจของเรากิเลสคนหนึ่นแก้ไม่ได้ดอก คุณต้องเอากิลีลดคุณไปแก้เกลียดคนอื่นแก้ไม่ได้พระสาวกรู้ที่เจ้าท่านก็เปลี่ยนแต่เพียงสอนท่านเองจิตใจก็ น, น้อมตามคําสอนน้อมไปน้อมไปน้อมไปน้อมไปน้อมไปน้อมไปด้วยเหตุที่มันไปตามคลองของธรรมเนี่ยมันก็เข้าถึงกระแสธ ร, รรมได้แต่ถ้าจะเขาไม่น้อมไปไม่ได้อะไรเท่าเดิมเหมือนเดิมคนอื่นเขาทําบุญเต็มไปหมดตัวเองไม่น้อมใจรับเอาไม่น้อมใจเปิดใจรับเอาไม่ได้อะไรสักเม็ดเลยนะ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 ที่มันจะข้ามพ้นไปตัดไปจากกระแสของกิเลสของกรรมของวิบากเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดวัตวนวัตสงสารเหล่านี้เราต้องตัดกิเลสเมื่อเราตัดกิเลสได้แล้วกิริยาทั้งหลายทั้งปวงกรรมทั้งหลายทั้งปวงศัจธว่าเป็นกิริยาศัจธว่าเป็นกิริยาเพราะการตัดกระแสของของกรรมนั้นเป็นการเอาจิตมาตัดกระแสของกรรมมาไม่ใช่เอาไม่ใช่เอาจิต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 บางที่กรรหนักกรรเก่าที่มันจะตามเพื่อที่จะมาสนองมันก็ตามไม่ทันเหมือนกับเนื้อที่มันมีกําลังมันพุ่งพุ่งพุสุนักไล่ไม่ทันสุนักไล่ไม่ทันตราบใดที่เนื้อเหล่านั้นหมดแรงหมายความว่ากุศลในปัจจุบันมันหมดแรงโด้วยเหตุที่เราไม่ค่อยเพิ่มพูนเพรากุศลในปัจจุบันหมดแรงอากุศลที่มันตามมาเมื่อได้ช่วงมันก็งับกรรมให้ผลทันทีไม่ต่างอะไรกับสุนัขไล่เนื้อ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 ฆ่าปิดาฆ่ามหันดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงพระโลหิตนอทำสรงให้แตกกันนี่พุทธเท่านทรงตรัสไว้เป็นอนันตริยกรรมกรรมนี้เป็นกรรมหนักไปทางอเบตอเ ว, อเวจีมหานรกเรี่วไปเลยไม่มีกรรมอื่นมาขั้นในระหวา่างเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมหนักฝ่ายบุญศลตัด ส, สินใจแค่ปึ้งเดียวเช่นอย่างฆ่าพาระอรหันต์เนี่ยแค่ตัดสินใจแค่สมมุติอย่างฆ่าปืนก็นปึ้งเดียว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 S 1> <S 1> แต่กรรมเก่าเราทําไปแล้วทํำยังไงได้มันทําไม่ได้ละมันกลายเป็นมันกลายเป็นการสร้างเหตุเต็มร้อยเปอร์ซแล้วผลมันจะต้องให้ผลเต็มร้อยของมันเพราะเราสร้างเหตุร้อยเเซแล้วผลมันจะจะต้องให้ผลเต็มร้อยเหมือนกันทีนี้ในเมื่อเราเระลึกได้เราสร้างกรรมใหม่เราก็สะสมไปสะสมสะสมสะสมเหมือนเราตื่นจากความโง่ตื่นจากตื่นจากความหลงตื่นจากความเข็ดลาบความทุกความจนความอะไรต่อ ปากกัดตีนฉีบทํางานไม่หยุดไม่หย่อนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเพื่อแสวงหาทรัพย์เพื่อสั่งสมทรัพย์ทรัพย์ภายในก็เช่นเดียวกันสังสมไปมากๆพระโมคคัลลนะเนี่ยท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระอักขาสาวกเบื้องซ้ายด้วยเหตุที่มีกัลยาณมิตรพระโมคคัลลนะเอว่าภาษาดิบุตรเป็นกัลยาณมิตรเออเราปรารถนาเป็นเบื้องขวานะขอเธอปรารถนาเป็นเบื้องซ้ายเนี่ยคนนี้เป็นข้บดีนายบ้านทั้งสองเป็นลูกของนายบ้าน ในสุดตั้งความปรารถนาตั้งความปรารถนาแล้วทาไงต้องเดินให้ถูกทางเองอทําบุญให้ทานเสียสละไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีประมาณไม่มีครอบเขตไม่มีประมาณเป็นการสร้างเสริมบุญชาบารมีก็ไปสร้างไปสร้างไปสร้างไปในสุดบรารมีก็ตั้งก็เต็มอพอมาชาติสุดท้ายมาชาติสุดท้ายก็เป็นเหตุให้ได้พบได้เห็นได้ได้บวชได้บรรลุธรรมภายในเวลาเท่าไหร่สิบห้าวันใช่ไหม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 อัตภาพร่างกายนี่คือผลิตผลของมันมันตามเอาวันนี้ท่านก็รู้โอ้ไม่นี้แหละตอนนี้เข้าฌานสมาบัติโจนมันก็มาทุกมาตียนคิดว่าตายเข้าฌานสมาบัติก่อนนะโจนถึงมรรมุกมติตีไงก็ไม่ตายหรอกมันคิดว่าตายก็ลากไปทิ้งพอท่านได้ระยะเวลาที่ท่านตั้งกําหนดมาท่านก็ฟื้นขึ้นมาเยียวยานด้วยฌานสมาบัติก็เหมือนคนปกติธรรมดาเราไปลาพระพุทธเจ้าตาย ออการคราวของกรรมถึงถึงแล้วลาพระองค์ปรุณพริพันธ์ลาพระองค์นิพานลาพุทธเจ้าตายว่างั้นเถอะพุทธเจ้าให้แสดงฤทธิเดชให้น้องๆได้ดูได้เห็นเป็นคติเป็นตัวอย่างแล้วแต่การแล้วแต่เวลาอันควรของเธอเถิดท่านไม่เห็นเป็นเรื่องไม่เห็นเป็นเรื่องเสียดลงเสียดายใครครเ อ, อ้ยเธออยู่คอนช่วยเผยแผ่ธรรมะเราคอนนี้ไม่มีม เราเราดูความเที่ยงธรรมของผู้ที่ท่านมีธรรมท่านก็ผ่านไปแล้วความบรรลุเป็นพระอรหันต์ของท่านคือจิตมันเป็นผู้บรรลุไม่ใช่กายเป็นผู้บรรลุแต่กายนี้เป็นวิบากเป็นเศษเดนกรรมเก่ากรรมมันก็ตามมาเอาใช่ไหมมันก็ทุกๆๆก ท, กทกมันก็ตามฐานเหตุทนน่านแต่จิตของท่านไม่มีพบ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 การยินดีเกิดการยินร้ายยินดีก็ยึดถือไม่ยินดีก็ยึดถือก็ยึดถือว่ามันไม่ดีมันก็ผลักออกไปยินดีก็ยึดเข้ามาเพราะเห็นว่ามันดีไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายเห็นก็สักเที่ยงวันเห็นได้ยินแต่รู้เข้าใจประโยชน์หมดอะไรคือสังขารร่างกายอะไรคือความต้องการอะไรคือหิวกรายอะไรคือหนาวคือร้อนแต่จิตที่บริสุทธิ์ไม่มีความอยากไม่มีความอยากด้วยอนะของตัณหาแล้ว่าความทยานอยากไม่มีหมดแล้ว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 เราพอเรามาเกิดเราเอาธาตุเก่ามาเกิดร่างกายของเราธาตุเก่ามาเกิดนะที่น้ํำลมาฟนี่ธาตุเก่าเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมเราไม่ได้เอาของใหม่ไหนของเก่ามาเกิดธาตุรูปธรรมนามมาทำคือจิตก็เช่นเดียวกันมันเป็นธาตุรู้ที่เป็นธาตุเก่ามีอยู่ในโลกมาเกิดแต่มาเกิดด้วยความพลุล่นเพื่อนนะลืมหลงภาวะของตัวเอง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 ก็ไม่หมดไปไหนไม่สูญไปจากไหนไปเกิดตามพบตามภูมิที่เราควรจะได้ตามอํานาจของกรรมแต่พระอรหันตท่านชนะบริสุทธิ์แล้วพระจิตที่บริสุทธิ์ของท่านก็ไม่หมดไปจากโลกยังมีอยู่ในโลกแต่ไม่มีสมุติให้เราเป็นที่ปรากฏเราจึงไม่ไม่เห็นนะพระอนุรุทธาท่านมีดวงตาที่เป็นทิพย์ท่านเห็นพระจิตของผู้ติเจ้าเข้าฌานที่หนึ่งออกฌานฌานที่หนึ่งเข้าฌานที่สองเข้าฌานที่สาเข้าฌานที่สี่ แล้วกอยลงมาเข้าไปถึงอารูปฌานเข้าไปประทับที่สัญญาเวทีสันนิโรธขึ้นกลับไปแล้วก็ถอยกลับมาแล้วเข้าฌานที่หนึ่งเข้าฌานที่สองเข้าฌานที่สามเข้าฌานที่สี่จะเห็นพระจิตที่บริสุทธิ์เฉพาะที่อยู่ในองค์ฌานเท่านั้นนะตอนระหว่างที่โดดข้ามมาไม่เห็นเพราะไม่ได้ผ่านสมมติหลวงตาท่านใช้คำว่าสมมุติไม่ได้ผ่านสมมุติเพอะท่านออกจากฌานที่สี่อารูปฌานท่านก็ไม่เข้า รูปฌานท่านก็ไม่อยู่อรมณฌานท่านก็ไม่เข้าพระอนุรุธถ้ามองไม่เห็นขนาตาที่ประจักษ์สุดมองไม่เห็นมองไม่เห็นพระจิตที่บริสุทธิ์ในระหว่างที่โดดจากฌานนี้มาเข้าฌานนี้มาเข้าฌานนี้มาเข้าชานาาชา น, าาานี้สิ่งนั้นมีอยู่หรือไม่ผู้รู้นั้นมีอยู่เพียงแต่ท่านออกจากรูปไปฌานไม่มาเข้ า, ารูปฌานเราก็มองไม่เห็นเพราะมันไม่มีส ม, มุิมาพาก พาดพิงมาพาดพิงพระฉะพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ที่เรากราประลึกถึงบุญคุณของพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไม่ใช่เราทําแบบลมๆแรงๆให้ตั้งอกตั้งใจทํามีผลมีอนุสง์ยิ่งใหญ่ไพศาลอย่าเห็นเป็นของไม่สําคัญนะแค่เราทํามัดสวดมน์อย่าเห็นเป็นของไม่สําคัญก่อนหลับก่อนนอนตื่นเช้าม า, าลึกถึงพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ผู้รู้ที่บริสุทธิ์จะก้องอยู่ในใจของเรา ที่ใจของเราใครเห็นธรรมผู้นั้นผู้นั้นเห็นเราทําไมเราจะเห็นผู้รู้ที่บร mm ิส <mir anda> ุทธ <that> <making ath rebbe> ิ์นั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเราตั้งใจเจริญสมาธิเราตั้งใจเจริญปัญญาถึงขั้นไหนระดับไหนขั้นไหนเราจะเริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเห็นหมดจดโดยสิ้นเชิงพ้นทุกข์พ้นโทษในวัฏฏะสงสารโดยสิ้นเชิงเห็นพระพุทธเจ้าเต็มโอ่งผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม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 ยศสูงสูงเกียรติสูงสูงทรัพย์สมบัติกองขี่ภูเขาก็ตามท่านไม่เคยเห็นไม่้เห็นความสําคัญเพราะสิ่งเหล่านั้นบางทีถูกต้องบางทีไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องก็พอจะช่วยเสริมความสุขให้กับจิตใจเราได้ถ้าไม่ถูกต้องเป็นฟื น, เ ป, น, ฟนเป็นไฟเผาใจดวงนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสุขใจตามหลักที่แท้เชียงแท้มั่นคงจะต้องดําเนินตามสินตามหลักของสินของธรรมอันนี้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ที่สุดนะ เรื่องให้ฐานเรื่การรักษาสิ้นแต่ความสุขที่บริสุทธิ์ละเอียดมากกว่ากันนั้นคือจิตที่สงบนี่แหละที่เราพยายามแนะนํากันทําจิตให้ได้รับความสงบพุทโธพุทโธให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวเนี่ยอันนี้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ไม่อิงความดีใจไม่อิงความเสียใจไม่อิงอามิตรใดๆอิงสติปัญญาดำริพุทโธพุทโธพุทโธฉลอกิเลสที่มันมาแย่จิตของเราให้วุ่นไปตามมันพอแย่ได้ พอมันมาหย่เราไม่ได้มันมายุ่งแย่ภยในจิตของเราไม่ได้จิตของเราได้รับความสงบเป็นความสงบเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ที่เยือกเย็นจะนั่งพิจารณาเพื่อทําลายความหลงของตัวเองเราพิจารณาไปเรายิ่งตื่นตัวไปเรื่อยยิ่งตื่นตัวไปเรื่อยยิ่งตื่นตัวไปเรื่อยเกิดขึ้นจากจิตของเราดวงเดียวนี่แหละเราอย่าไปดูถูกจิตของเรานะอย่าคิดว่าเราทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่เป็นพัฒนาอะไรไม่ขึ้นอย่าไปคิดเรามีสติมีปัญญาเป็นพื้นๆแบบสามัญชนชนทั่วไป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 ฟิบากรรมที่หนักหนาสาหัสที่สุดเป็นคนเงือเงืงะงบ้าบาบอๆได้สติวิปลาสฟัน่นเฟือนแบบปู้ชีวิตทั้งชีวิตนี้ก็สักแต่ว่าเป็นมนุษย์เฉยๆอันนี้ก็คือกรรมหนักมันทับถมเขาอยู่ผู้รู้เป็นเป็นรู้เห็นแบบแบบที่เราเป็ น, เ ป, นเป็นกันอยู่นี้อาศัยทำให้มากเจริญให้มากขยับไปได้พัฒ น, นาไปได้จากปัถธรรมะเป็นเนยะ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 ทำให้ต่ําแล้วที่สุดตกอเวจีมาหานรกสามารถทําได้พวกเราได้ยินได้ฟังและเอาไปเป็นข้อประพฤติปฏิบัติด้วยเหตุที่เราเสียสละเวลามาหนึ่งวันสองวันนับว่าเป็นการให้โอกาสให้กับตัวเองมาประสบพบเห็นมาได้ยินได้ฟังได้อัดได้ได้ข้ออัดข้อทำได้ข้อคิดเห็นเพื่อที่จะไปปรับไปเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองบางคนมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่สามารถจะแก้ไขได้ อาศัยวัดวาครูบาจารย์องค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นเป็นไปจากพยานเอ้ยเราต้องเอาไห้ได้เราต้องเลิกให้ได้เราต้องเลิกให้ได้มีคนคนหนึ่งเขาได้อ่านหนังสือประวัติของผู่มันเ่ามาอู้อูของดีหนทางแห่งความดีทางดีทางเลิศทางเสษตรต้องเอาต้องเอาต้องเอาต้องเอาต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้อะ อ, UH. ออกเลยแหละลาออกเลย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 แต่ถ้าเราปล่อยเวลาล่งเลยไปที่ไหเมื่อไหร่เดี๋ยวกี่เหลี่มันเด้งไปเคยสนุกเคยเล่นเคยสะดวกเคยสบายเคยอิสระเสรีอะไรก็ช่างมันตายก็ช่างมันติดยาบ้าตายช่างมันตายยังติดเหล้าตายช่างมันตายตายจริงๆหลยคนอยู่บ้านเนี่ยเฮ้ยตายช่างมันทำไมตายช่างมันคอยได้กินคอยได้กินนานติดช่างมันติดช่างมันคอยได้เสพยาบ้าไหนที่สุดแบตายทั้งเป็น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 อ่าอ่าอาเออมาันหกรอยี่สิบหกอ่านี่เนี่เ น, นี่ให้ลังบันไปผู้หญิงถาดหนึ่งผู้ชายถาดหนึ่งเอาไปนี่หลวงพ่อจัดให้เองนะเสร็จแล้วมีอะไรบุฟเฟ่ยู่ที่นู่นก็ไปนะเออเอาไปนอะนี่อันนี้เอาไปเออรับทานเสร็จแล้วได้เวลาก็พากันกลับเลยเอ่ เอาไปเอไปันไหนของผู ¿se ้หญิงกอไปเอาไปยกไปยกไปไปไปบุฟเฟ่จะรับทานบุฟเฟ่ครับเอใไโมนบัตรปิดอนเขียนเขียนมาเขียนชื่อจมรลมหรือเขียนอะไรมาเขียนมาเขียนทิ้งไว้เราเดี๋ยวเราจะเขียนให้ 咱们到这边来。